อากาศหนาวช่วงนี้ปกติเดือนมีนาต่อเมษานีมันร้อนนะอากาศร้อนร้อนมากร้อนมากที่สุดในทั้งเต่าเราเระยะมีนาต่อเมษาทุกปีจะร้อนมาก <c oughs> แต่ปีนี้ตรงกันข้ามกลับเป็นหนาวมากหนาวมากมเมื่อเช้านี่เราดูปลอดมันลงไปเท่าไหร่ ส4 13, ี่สิบสาสิบสองหนาวกว่าหน้าหนาตามปกติธรรมดามีอากาศาดดดดกามัาาศ น, เนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปฤดูเปลี่ยนแปลงฤดูก็เท่าเดิมแหละแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ตรงตามฤ ด, ดมูเหมือนก็ว่าฤ ด, ดูหนาวนี่มันโฉมา ดีไม่ดีมันจะส่งไปจนตลอดเมษาเปล่ามันรู้นะเคยมีคนเขาพูดเอาไว้เพราะว่าปีนี้นาวมันจะส่งไปจนนุ่นนะตลอดเมษาพุ่นนะเราสังเกตดูรถ ด, ดูฝนนี่มันก็ส่งส่งมาแปลายๆนะปีที่แล้วเนี่ยมาฝนตกตอนแปลายเขาได้ํานาตอนแปลายแต่ก็ฝนตกตอ่อเนดีนะ เขาได้ดำนาถึงจะได้ดำนาปลายๆแต่ไม่เหี่ยวข้าวไม่เหี่ยวฝนก็ส่งช่วงมาจนเขาได้เก็บเกี่ยวถึงถึงจะไม่ได้ฝนเต็มเม็ดเต็มหน่อยแต่ก็ไม่เหี่ยวฤดูจะเปลี่ยนมาฤดูฝนก็ขยับเข้ามาฤดูหนาวดันเข้ามาเอางเนี่ยก็เต็มีนานจะร้อนมาก ตอนนี้มีรอนมีหนาวหนาวด้วยฝนตกด้วยฝนตกแลดูหนาวอืแท้จริงแท้จริงทุกปีมันก็ฝนมันตกแล้วแหละแต่มันร้อนถ้าฝนไม่ตกมันก็จะร้อนอันนี้หนาวด้วยฝนตกด้วยเลยบวกกันกันแล้ยิ่งหนาวเข้าไปอีก ความเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะเทียบกับมันกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราเนั่นแหละร่างกายของเราแต่ละคนแต่ละคนกถ็ถือว่าเป็นโลกโลกหนึ่งนี่โลกนี่แหละโลกเดินได้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้นี่ก็เป็นโลกโลกหนึ่งนะคนคนเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนเพราะโลกใบนี้ ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ว่าธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟที่ประกอบกันเป็นคนนี้อาศัยว่าประกอบขันด้วยอํานาจของกรรมกรรมมากับจิตทุกคนมีจิตมีกรรมต่อเนื่องมากับจิต มาจับจองอัเภาพาร่างกายจับจองที่ไหนเรารู้จักไหมจับจองในท้องแม่นับตั้งแต่ทุกคนลองถือปฏิสนธินั่นนะกรรมทั้งหลายมากับจิตมาจับจองในท้องแม่นั่นหลังจากจับจองแล้วเจริญวัฒนาถาวอมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือน ก็ออกมาในระหว่าที่อยู่ในท้าแม่ก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจากแม่ออาศัยอาหารที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟจากแม่เนี่ยไปไปหล่อเลี้ยงเจริญมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆประปอกอบกันกับสังขาร สังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันรวมกันเป็นกองสังขารอีกองหนึ่งขึ้นมาไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มีเราเราไม่ได้เอาอะไรไปเกิดในท้องแม่นะสังเกต ด, ดูได้ลองพิจารณาย้อนหลังไปดูเลยใครเอาอะไรไปเกิดบ้างในท้องแม่ โดยเฉพาะโรควัตถุที่เป็นดินเป็นหน้าเป็นหลงเป็นไฟมีไหมไม่มีเป็นของพ่อกับของแม่บวกกันประกอบกันแล้วก็รวมกันเป็นสังขารแต่อสัยวันนามนทําที่เป็นจิตนั่นะมาพร้อมกับกรรมกรรมพอดีพอเหมาะที่มาเกิดในจังหวะนั้นพอดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนละเอียดนะ เป็นปัจจัยส่วนละเอียดที่ทำให้รูปนามของเรามาเกี่ยวข้องกันทำให้รูปกายของเราําให้นามกายของเราเนี่ยมาประกอบกันมาบวกกันมาประจวบกันเมื่อประจวบกันแล้วมืบวกกันแล้วนี่กลายเป็นสังขารอีกกองหนึ่งขึ้นมาโดยปกติของสังขารนนะันสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่ง เป็นต้อนขึ้นไปเมื่อประกอบกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยจะไม่อยู่คงที่สังขารทั้งหลายจะไม่อยู่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกระยะทุกเวลายิ่งสังขารที่เป็นรปูปเป็นนามรูปกายของเราเนี่ยยิ่งอันนี้ยิ่งเห็นยิ่งเปลี่ยนหะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นอย่างสังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันตั้งแต่ทีแรกก็เป็นหยดน้ำใสๆเล็กเล็กมากเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยเล็กมากเมือ่อเมื่อประกอบกันแล้วจะไม่คงที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยอยู่ในเท้าแม่ อาศัยท้องแมเแงเเแง่เป็นแหล่งเกิดเป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งเกิดแต่ตัวปัจจัยที่ให้เกิดนั่นอนะ่ะมันมีส่วนอื่นมาประกอบถ้าเราจะรวมคิดว่าท่าของพ่อกับท่าของแม่ต่างก็มีดินน้ำลมไฟมาแล้วพอมาประกอบกันบวกกันกับจิตที่เป็นนามธรรมกรรมกำกับ มาเกิดในจังหวะนั้นพอดีพอดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ประกอบให้สิ่งเหล่านั้นเจริญวัฒนาทาวรขึ้นมาเรื่อยการเจริญขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองของของสังขารนั่แหละสังขารรปูปอะฮสังขารรูปที่อยู่ในท้องแม่เปลี่ยนตัวเองมาเรืยเปลี่ยนตัวเองมาเยเปลี่ยนตัวเองมาเรืยสังขารทุกอย่างที่เขาประกอบกันแล้วนี่เขาจะไม่อยู่คงที่ เขาจะเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยการไม่คงที่ของสังขารนั้นนะพระพุทธเจา้าทัานทรงเรียกว่าทุกทุกขังทุกขังไม่คงที่ในตัวของมันเองและมันเปลี่ยนตัวมันเองไปการเปลี่ยนตัวมันเองไปเป็นลักษณะของอนิจจังไม่คงที่คือทุกขังการเปลี่ยนตัวไปทุกระยะทุกเวลานั้นเป็นอนิจจัง เหมือนกับว่านในกองสังขาร น, นั้นนะ่ะมันจะมีทำงานมีการทำงานทุกระยะทุกเวลาทุกขณะจิตเหมือนกับสังขารร่างกายของเราที่อยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยมันทำงานไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ทุกขณะจิตเช่นเดียวกันมีหัวใจสูบฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงแล้วก็มีการหายใจเข้าหายใจออกเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเท่าที่เราพอจะรู้ว่าเราทุกคนจะต้องหายใจเข้าหายใจออกตลอด นี่มันจะไม่มีการคองที่มันจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยการหายใจเข้าไปก็เป็นหน้าที่ของมันการหายใจออกมาก็เป็นหน้าที่ของมันมันหายใจเข้าไปยังมีเหตุผลของมันมันหายใจออกมายังมีเหตุผลของมันหายใจเข้าไปไม่ออกก็ไม่ได้หายใจออกมาแล้วไม่เข้าก็ไม่ได้ท้าได้ก็คือตายตายและ จะไม่มีการสืบต่อเลยชีวิตนี้ต้องสิ้นชีวิตจินรีนี้ต้องขาดถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าแต่การหายใจเข้าไปก็มีเหตุผลของของหมัดของร่างกายของสังขารตัวนี้หายใจออกมาก็ามีเหตุผลตามหลักเขาบอกหายใจเข้าไปหมายถึงเอาออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนเป็นอากาศชนิดหนึ่งที่เอาเข้าไป เหมือนกับเป็นอาหารอย่างหนึ่งไปหล่อเลี้ยงในอัตภาพร่างกายนะเป็นอากาศอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องการถ้าไม่มีออกซิเจนออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เอาเข้าไปเป็นอาหารแล้วก็เอาสิ่งที่เสียออกมาเอาของเสียออกมาเอาอากาศที่เสียออกมาเลยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ทำให้อัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการหายใจเข้าการหายใจออกหายใจเข้าการหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งอยู่ในท้องแม่คงจะไม่ได้หายใจเพราะอาศัยอาศัยเชื่อมโยงจากแม่อืแม่หายใจเข้าหายใจออกก็พลอยได้หายใจเข้าหายใจออกด้วย แต่ถ้าแม่หยุดหายใจลูกก็ต้องหยุดหายใจด้วยเช่นอย่างแม่บางคนตายมีลูกอยู่ในท้องเนี่ยลูกก็ต้องตายด้วยเพราะอาศัยการหายใจเข้าหายใจออกจากแม่แต่พอเราออกมาแล้วออกมาจากท้องแม่แล้วเราต้องมาหายใจเอาเองต้องหายใจเอาเองปอดมีความแข็งแรงพอที่จะหายใจเอาเองได้ กำลังวางชามีพร้อมสมบูรณ์ที่ออกมาแล้วหายใจเข้าหายใจออกเองได้นี่คือสังขารการเกิดของรูปของเราทุกคนรูปเกิดในท้องแม่อย่างนี้แต่ต้องอาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ะสมกันเ่ื่อผสมกันแล้วก็เจริญพัฒนาทาวร อ, อยู่มาอย่างนี้นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงของของโลกซึ่งเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่เราเรียกว่าโลก ลกคือการเปลี่ยนแปลงลกคือลักษณะที่บ่งบอกถึงการมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราทราบอย่างนี้เราก็เข้าใจลึกลงไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาทั้งอนิจจังก็ตามทั้งทุกขังก็ตามไม่มีใครสามารถ จ, จะไปบังคับบัญชามันได้ ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะไปสามารถบังคับบัญชาหรือไปหักไปหันไปเหยกดธรรมชาติอันนี้ได้เพราะจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาคําว่าอนัตตาก็คือเราบังคับบัญชาไม่ได้ออนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยท่านใช้เหตุผลว่าถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราต้องบังคับบัญชามันได้ ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้เราดูไปลักษณะตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนเราดูคําว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนเราก็าดูไปที่ท้องแม่เนี่ยเราเอาอะไรไปเกิดบ้างไม่มีใครเอาอะไรไปเกิดสักอย่างคําว่าตนคําว่าตนในที่นี้เป็นคําแทนนามธรรมที่มากับกิจ คือเป็นกรรมเป็นกรรมมากับจิตจิตคือ้ารู้คือผู้รู้มาสิงสถิตเข้ามาจับมาจองถ้าเราจะเรียกว่าตัวนั้นเป็นต น, นตัวนั้นก็ไม่เที่ยงไม่คงที่เช่นเดียวกันแต่มันเป็นหลักของรูป ก, กับนามเกิดขึ้นได้เพราะมีวิญญาณคำว่าวิญญาณ ตัวนี้หมายถึงธาตุรู้คือผู้รู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเป็นเหตุให้เกิดนามและรูปนี่จะเรียกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามมรูปไปดูในหลักของปฏิจจสมุปบาทท่านจะพูดไว้าชาัดเจนว่าวิญญาณเป็นเพตให้เกิดนามรูปนามรูปทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> ก็จะต้องมีวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้คือผู้รู้ ผู้รู้ตัวนี้เป็นนามัธรรมไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มีแต่ลักษณะรู้คือผู้รู้ผู้เรามีอยู่ด้วยกันคนละดวงละดวงเดี๋ยวนี้คือลักษณะว่ารู้รู้คือมีใจคือผู้รู้ด้วยกันทุกคนพยายามย้อนไปดูมันมันมีรูปร่างมีลักษณะมีหน้าตาเป็นยังไงพยายามย้อนไปดูลักษณะของใจของเราเนี่ยลักษณะของวิญญาณท่าคือท่ารู้ คือลักษณะของผู้รู้ผู้รู้ตัวนี้เป็นธาตุที่มีอยู่ประจาดั้งเดิมในโลกเช่นเดียวกันท่านยังเรียวกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้อืคาว่าธาตุแปลว่าสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกเพราะฉะนั้นผู้รู้ตัวนี้ก็เป็นมูลเดิมของโลกเช่นเดียวกัน พราะฉะนั้นเมื่อมีประจําโลกขึ้นมาแล้วย่อมไม่สูญไปจากโลกไม่เสื่อมไปจากโลกไม่หมดไปจากโลกทิ้งที่เป็นรูปก็ไม่เสื่อมไปจากโลกถ้า ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาคนเราตายไปแล้วดินก็กลายไปเป็นดินน้ําลมไฟก็กลายไปเป็นตามภาวะเดิมของตนของต น, งตนไม่สูญไปจากโลกไม่เสื่อมไปจากโลก นามาทําที่เป็นใจก็ไม่เสื่อมไปจากโลกไม่สูญไปจากโลกแม้ผู้ที่บรรลุธรรมชำระจิตกกให้บริสุทธิ์คือทารู้บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านจึงไม่สูญไปจากโลกพระพุทธเจ้าไม่สูญไปจากโลก พระสงฆ์สาวที่ท่านเป็นพาาระอรหันต์แล้วท่านจะไม่สูญไปจากโลกแต่ด้วยเหตุที่ท่านไม่มาอิงอาศัยสมมุติปรากฏเฉพาะหน้าเราพวกเราจึงไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเพราะท่านพ้นไปจากภาวะพ้นไปจากภาวะที่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสมมุติคือท่านใช้คำว่าวิมุตติวิมุตมติคือพ้นไปจากภาวะ น, นี้แล้ว พ้นไปจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพ้นไปจากเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณดินน้ําลมไฟกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมประกอบกันแล้วเป็นขันห้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าที่ท่านตรัสรู้เป็นพระอาหารหันแล้วท่านไม่มีในขันห้าท่านไม่เป็นขันห้า ทันพ้นจากภาวะความเป็นขันทั้งห้านี่อันนี้คือเราพยายามทำความเข้าใจเพื่อรู้จักตัวตนของเราว่าตัวตนของเรามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสมันมาเกี่ยวข้องกับเราตอนไหนตรงไหนกิเลนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงพยายกรณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรตอนไหน กิเลสนี้พระองค์ทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาเกิดมาก่อนจิตหรือเกิดมาหลังจิตเรื่องจิตแต่ละดวงแต่ละดวงที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงพยากรณ์ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนใครเป็นคนสร้างให้เกิดก็ไม่มีใครสร้างให้เกิดมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่ทราบดับไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบ แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งเดิมของการเกิดนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสมีธารู้ที่ไม่บริสุทธิ์มีสิ่งที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้ดวงนั้นผู้รู้ดวงนั้นจึงไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็มาสแสวงหาที่เกิดมาสแสวงหาที่เกิดสแสวงหาที่เกิดก็คือได้นาม ได้รูปวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแต่ถ้าหากได้นามรูปมาแล้วเช่นอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้รู้ได้ได้เรียนรู้วิชาต่างๆทั้งหลายแล้วก็ไปฝึกจนกจิตได้รับความสงบได้รูปประชานและก็ได้อารูปประชานนี่ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้อ่ ในขณะที่ดับจิตนั้นจิตเข้าสู่อารูปฌานก็ไปเกิดไปเกิดในในโลกที่ไม่มีรูปมีแต่นามเนี่ยถ้าจิต ด, ดับในขณะนั้นนะเช่นอย่างอารมู ป, ปรพรมพวกวาอารูปภพรมเขามีแต่นามไม่มีรูปที่เรียกว่าอารูปอารูปก็คือไม่มีรูปอารูปภพรมเน่ย มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีกิเลสอยู่ไหมยังมีกิเลสอยู่ทั้งหมดนั่นแหละเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของจิตและกับเป็นผลวิบากอันเกิดขึ้นมาจากกิเลสเวลามาเกี่ยวข้องกับรูปปัจขันคือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย อ่าอยู่ในภพภูมิที่มีรูปแล้วก็มีภพภูมิที่มีนามมีทั้งภพมีทั้งนามคือนามแหละัาเที่ยวเกาะเที่ยวเกี่ยวข้องทเที่ย ว, ผ, วผูกพันหาพบหาชาติหาที่เกิดก็ได้มาเกิดตามอานาจของกรรมที่จะของมีอยู่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน เวทนาก็คือสุขทุกอุเบกขาสัญญาก็คือจำจำได้หมายรู้มันมีทั้งจำได้ด้วยมันมีทั้งหมายรู้แต่คําว่าหมายรู้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากถ้าเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมันก็หมายน่นหมายนี่คิดเดาคาดเอาเด า, าเอาสรพผัสเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาเกี่ยวข้องกับจิตเราเมื่อเรา เอาสิ่งเหล่านี้เอามาใช้เราจึงมักจะคาดมักจะเดามักจะหมายเอออันนั on, Thus, prisoner, succeed, ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อันนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนี้คาดไปเดาไปหมายไปอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นมันพาคาดพาเดาการคาดการเดานั้นมันไม่ใช่หลักความจริง มันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นมันเป็นความจริงไม่ใช่ความจริงของธรรมแต่มันเป็นความจริงของกิเลสเพราะกิเลสทั้งหลายมันชอบคาดชอบเดาแล้วก็วชอบไปบีบชอบไปบังคับสิ่งอื่นข้างนอกน่ะให้เป็นไปตามใจหวังข้อมันอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นั่ น, นไไแล้วก็คาดไปเดาไปหมายไปล่ะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คาดไปเดาไปหมายไปอืม นี่เป็นการคาดการเดาของกิเลสแต่การคาดการเดาทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องของสัญญาสัญญาไม่ใช่หลักของสัจธรรมที่แท้จริงที่จะทําให้เราตายจ่ายได้แต่มันเป็นสัต์จจกประเภทประเภทสมุทยัยก่อทุกข์ก่อโทษก่อเหตุวุ่นวายเพราะฉะนั้นมันชอบคาดคาดดาวผิดผิดแล้วก็ไปลงมือทากรรมพอทํากรรมไปแล้ว มันก็เป็นเหตุให้ได้รับโทษได้รับทุกได้รับโทษเนื่องจากเราไปคาดผิดเดาผิดหมายผิดสำคัญผิดผิดถึงขั้นไหนผิดถึงขั้นว่าเป็นมิจฉาทิฐินั่นแหละด้วยการคาดการเดาการหมายนี่แหละอันนี้เป็นต้นต่อเป็นที่เกิดของมิจฉาทิฏฐิคือสำคัญผิดยึดผิดเข้าเข้าใจผิดแล้วก็ทำผิดสัญญาสังขาร สังขารคือเครื่องปรุงคือความปรุงในภายในจิตสังขารตัวนี้แปลว่าความปรุงภายในจิตความปรุงของจิตคือจิตมันจะมีปรุงอยู่สามลักษณะลักษณะหนึ่งปรุงดีลักษณะหนึ่งปรุงชั่วปรุงกุศลกับอกุศลคือปรุงดีกับปรุงชั่วปรุงชั่วเป็นเรื่องของกิเลสปรุงดีเป็นเรื่องของธรรม ไม่ปรุงเป็นกลางๆที่ท่านเรียกว่าอนเนญชาอนเนนชาอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังขารเพราะมันยังมีส่วนประกอบอยู่คําว่าอเนนชาหมายถึงหลักของจิตหลักของจิตที่ฝึกฝนอบรมได้ที่ท่านเรียกว่าองชาองชาผู้ที่ได้ชาเวลาท่านเข้าชาเนี่ยจิตของท่านจะสงบนิ่งไม่เกี่ยวกับนึกดีไม่เกี่ยวกับนึกชั่วนี่ทีเรียกว่าลักษณะของจิต แต่มันก็ยังมีสังขารเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในนั้นนี่เป็นเรื่องของสังขารสังขารขันที่เป็นสังขารฝ่ายกิตสังขารธรรสังขารขันฝ่ายรูปก็คือดินน้ำลมฝ่ายนี่เป็นส่วนประกอบคําว่าสังขารคือส่วนประกอบสังขารคือส่วนประกอบที่มารวมหลายๆสิ่งมารวมกันถ้าเรียกว่าสังขารคิดดีคิดชั่ว ก็ไม่คิดไม่ดีไม่ชั่วอยู่ในวงฌานนี่ท่าเรียกว่าสังขารสังขารขันสังขารขันที่เป็นเรื่องสังขารขันของจิตและอีกอันนึงก็คือวิญญาณวิญญาณนี่ก็เป็นขันอันหนึ่งวิญญาณเป็นขันอันหนึ่งนะเช่นอย่างตาเห็นรูปแท้จริงไม่ใช่ตาเห็นนะเป็นจิตเห็นเพราะว่าจิต มาทําความรู้จักมาทําความเกี่ยวข้องกับกายอันนี้แล้วจิตมันออกมาทางตาจิตมันออกมาทางตาออกมาทางหูออกมาทางจมูกทางลิ้นทางกายอจิตมันออกมาคือมันออกมารับรู้ตาเห็นรูปปั๊บตาเห็นรูปปั๊บเกิดความรู้สึกต่างตาความรู้สึกอ น, นั้นพุทธเจ้าทัรงเรียกว่าวิญญาณจักขบวิญญาณ ทางหูโสตวิญญาณทางจมูกคานักวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายวิญญาณทางใจใจนึกคิดอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวโดวงเดียวนะ่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับกายซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาที่มันล่วงไปแล้วนะคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรสารพัดที่มันจะคาดจะเดา เรื่องที่มันจำได้มันก็มาคิดมาปรุงมานนึกมาคิดมันก็คามันก็เดาก็หมายไป น, นี่เป็นเรื่องของมโนวิญญาณกายจักขุวิญญาโสตวิญญาณอันนี้หมายถึงรูปก่านามบวกกันจักขุวิญญาโสตวิญญาคณะวิวิญญากายยะวิญญาณแต่มโนวิญญาณหมายถึงกิตอย่างเดียว จักขู่วิญญาณหมายถึงรูปกับนามบวกกันเป็นเหตุให้เกิดจักขู่วิญญาณอันนี้เป็นหลักข้างในนะถ้าเราพยายามทําความรู้จักแล้วเราจะรู้จักตัวของเราถ้าเราไม่รู้จักแล้วเราก็หลงหลงที่หลงแดน่หลงนึกหลงคิดหลงสารพัดหลงคาดหลงเดาที่เลวร้ายที่สุดคือหลงคาดหลงเดา ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดคาดวันนั้นจะเป็นอย่างนั้นคาดวันนี้จะเป็นอย่างนี้เดาวันนั้นจะเป็นอย่างนั้นเดาวันนี้จะเป็นอย่างงี้แล้วกิเลสตัวนี้แหละมันพาคนที่ค า, าดคาเดาเดเนี่ยพาเข้ารกเข้าพงจนถึงที่สุดถึงขั้นไหนถึงขั้นมิจฉาทิฏฐิถึงขั้นมิจฉาทิฐิบาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ผีไม่มีนิพพานไม่มี ทำดีแม่ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วข้าเราไปจะถึงขั้นนั้นถ้าเราได้เรียนถึงหลักต้นต่อของลัทธิทั้งหลายทั้งปวงที่ก็เอามามาศึกษากันเนี่ยมันมีอยู่ในพระไตรไปิฎกมีอยู่มากมายบรรดาทิฏฐิทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่มีให้เราได้เรียนได้รู้กันเหมือนอย่างครูทั้งหกสายพุทธกาลเนี่ยพวกนี้ก็พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละคือนักขิด นึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดแล้วก็คาดคาดเดาเดาแล้วก็ตั้งตนเป็นศาสตราเหมือนอย่างลัทธิอันหนึ่งก็บอกว่าอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ลัทธิของสัญชัยอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งไอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนี่ยก็คืออะไรคาดคาดเดาเหมายหมายไปนั่นแหละ ไม่ไม่ได้เข้าไปถึงหลักของความจริงเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงยังคล้องอยู่ในตาข่ายยังคล้องอ ย, อยู่ในตาข่ายออกจากกรงขังของตาข่ายคําว่าตาข่ายก็คือแหวกวงกรอบของกิเลสที่มันเป็นกรอบดักเราไว้อยู่ในกรอบของมันนั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ ก็จะต้องดวงวิญญาณดวงนี้จิตดวงนี้ก็จะอยู่ในกรงข่ายของกิเลสนั่นแหละออกไปไหนไม่ได้อยู่ในกรงของมันอยู่ในกรงขังของมันแต่ถ้าหากมาศึกษาเรื่องหลักของอริยสัจสี่อันนี้เป็นเรื่องสัจจความจริงพอเราเรียนขึ้นมาเรียนเข้ามาเรียนเข้ามาแล้วเราสามารถมาเกี่ยวข้องกับกิเลสสิ่งที่เป็นกิริยาอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นแหละ กิริยาการเมมันเป็นยังไงน่ะมันปรุงความอยากขึ้นมาอมันปรุงความมันปรุงความอยากพอไม่ได้สมอยากมันก็โกรธเกิดความโกรธเกิดความเกลียดไม่ถึงกับโกรธเกลียด ก, กดย็อิจฉาทิษยามีคนมาขัดมาข้องก็เกิดอาฆาพยาบาทจะถึงกับขั้นปอร้ายมันเกิดขึ้นจากลักษณะการของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิต เพราะอะไรเพราะจิตมันมีความอยากเมื่อมันมีความอยากแล้วมันเสกนู้นให้เปลี่ยนไปตามอยากเพรามันเสกนี้เปลี่ยนไปตามอยากเพรามันคิดเอาอะอยากแย้มก็คิดอย่างนั้นอยากแย้เมื่อคิดอย่างนั้นอยากแย้มคิดความคิดของมันก็คือคิดคิดคาดคาดเดาเดาไม่มีความจริงมารองเราเป็นไปตามหน้าของสัญญาที่สันเียกว่าสัญญาขันสัญญาขันตัวนี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสเวทนา เป็นเรื่องกิเลสสัญญาเป็นเรื่องกิเลสสังขารนึกคิดปรุงพระยพ ร, ระพุทเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านจึงพ้นดีพ้นชั่วพ้นจากดีพ้นจากชั่วแต่ถ้าหากยังมีคิดดียังมีคิดชั่วยังมีปรุงดียังมีพรุงชั่วอยู่<ม>ก็ยังมีสังขารอยู่จิตของพระพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกเนี่ยเป็นุวิสังขาร พ้นจากความเป็นสังขารพ้นจากความมีสังขารเพราะเป็นหนึ่งเดียวเป็นจิที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่ประกอบกับสิ่งใดไม่เป็นสองกับสิ่งใดถ้าเป็นสองอยู่ก็แสดงว่า y ยังมีสังขารมาเกี่ยวข้องเมื่อมีสังขารมาเกี่ยวข้องสังขารตัวนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังขารเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งานั้นจะมีลักษณะสมอยา่างอนิยเจ้าทุกครังอ น, นัตตาเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่พอพ้นจากความเป็นอนิจจังทุกข์ความอะอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นวิสังขาร น, นะเป็นวิสังขารคือไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจิตเป็นเอโกธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวเป็นธรรมดวงเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่ผูกพันกับสิ่งใดไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะฉะนั้น เมื่อเราศึกษามาถึงตอนนี้เราก็ทราบได้ว่ารูปพอขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันขันตั้งห้านี้จึงเป็นมูลมรดกเป็นสมบัติของกิเลสถึงมีธรรมอยู่ก็มีธรรมที่อยู่ในกรอบของกิเลสยังไม่ไม่ได้ธรรมที่ออกไปจากกรงขังของกิเลสเราจะเห็นขั้นตอนของธรรมผู้ที่เข้าถึงกระแสของธรรมรโสดาบัน นี่ก็มีธรรมเป็นธรรมถึงขั้นอุปรธรรมอยู่ขั้นหนึ่งขั้นสองสุกิตาคาขั้นสามพระอนาคาถถึงขั้นสี่ถึงเป็นพระอรหันต์พอถึงขั้นเป็นพ ร, าารนะอรหันต์แล้วก็จิตสามารถแยกออกไปเป็นเอกเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสล้วไม่มีกิเลสที่จะทําให้เกิดความโลภความโกรธความโลภไม่มีความโลกก็คือ อยากได้มาเพราะจิตมันน้าริมันอยากได้มาตึงๆมีความโลภแม้แต่จิตที่มีความอยากอยากที่ยังอยู่ในขั้นของความรุ่มหลงมาเกี่ยวข้องภายในจิตก็จิตตรงนั้นก็ยังมีความนําริอยากอยากได้เขาว่าอยากได้ก็คือความโลภนั่นแหละเป็นความโลภส่วนละเอียดลึกก็ไปภายในจิตรู้ได้ เฉพาจิตผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความโลภลึกๆ ล, ละเอียดอยู่ภายในจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดลึกขึ้นไปโดยลำดับเป็นธรรมะขั้นออกเพุปธรรมขั้นพระโสดาพระสกิทาคารพระอนาคาและพระอาราหันต์พอถึงเข้าถึงขั้นพระอาราหารตัตธรรแล้วก็ก็ไปเป็นพระอาราหัตตผลแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็หมดไปจากดวงจิตจิตตัดขาดจากสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิต มันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่ท้าทายให้พวกเราเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากถึงว่างั้นเถอะอยากได้อยา่างมีเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาวะที่พ้นจากภาวะของความมีทุกข์ความเป็นทุกข์จากอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้อง ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราประสบเป็นความทุกข์ที่เราเลือ้ออดเลือ้อทนภายในใจจริงๆบางคนถึงกับร้องไห้ทํายังไงก็ไม่ได้ไม่พ้นจับทุกข์ก็ร้องไห่ร้องไห้ไปเฉยๆนั่นแหละร้องไปเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นทุกข์นี่คือความทุกข์ทุกข์ดีใจทใําไมจึงเสียจึงดีใจเพราะมันมีเหตุให้ดีใจทุกเสียทุกเสียใจทใําไมจึงเสียใจเพราะมันมีเหตุให้เสียใจ แต่ стати, ท, unit, primero, ทั้งดีใจก็คือก <surrounds> <ola> ิเลสแปลให้เราผิดทั siento, <missed> <continuing> ้งเสียใจก็คือกิเลสแปลให้เราผิดถ้าแปลถูกจะเป็นยังไงถ้าแปลถูกก็จะรู้ตามสาเหตุว่าเอออันนี้เกิดขึ้นจากเหตุนี้แล้วก็ยุติอไม่ต้องดีใจเอออันนี้เกิดขึ้นจากเหตุนี้แล้วก็ยุติไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจถ้าหากยังมีดีใจยังมีเสียใจก็คือจิตมันยังสอดแทรกไปไม่ถึงหลัก ที่แท้จริงของการเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้เกิดความนีใจความเสียใจมันเป็นกิเลส ท, ที่มันลุคลำเข้าลุกคลำเข้ามามันพรางตัวเข้ามาพรางตัวเข้ามาเป็นสมุดไทยที่ละเอียดที่สุด börjar. เป็นสมุดไทยตัวที่ละเอียดที่สุดเป็นกิเลสประเภทละเอียดที่สุดที่ท่านเรียก ว, ว่าอนุสัยอนุสัย ซึ่งเราดูไม่ออกมันเป็นพื้นพยานเดียวของจิตดูไม่ออกถ้าไม่ใช้หลักปฏิบัติแล้วเราจะดูไม่ออกเราจะเข้าใจไม่ได้จะทําให้เราหลงเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญมันหมายเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่คือความมืดบอดซึ่งมาจากสาเหตุต้นตอที่ละเอียดที่สุดภายในจิตของเรา เราจะรู้ยากก็ใหญ่ยากการยึดถือการสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรอะไรมันขยายแขนงมาจากอันนี้ขยายแขนงมาจากอันนี้ความดีใจความเสียใจพระอริยเจ้าผู้ที่สรงหรุท่านเข้าใจแล้วเนี่ยกิตของท่านวางเฉยทื่อสัตว์แต่ว่ามาสัมผัสรับรู้ รับรู้แยกแล้วหายไปครับร้แยกแหายไปไม่มีอะไรต่อแยบแล้วก็หายไปไม่มีอะไรต่อไม่มีดีใจไม่มีเสียใจแยบไม่มีดีใจไม่มีเสียใจเพราะทราบหมดแล้วแหละไอ้ที่ไม่ดีใจไอ้ที่ไม่เสียใจไม่ใช่บว่าไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เข้าใจปล่อยลัขาดหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วมาจากสาเหตุต้นตออะไรทัวไหน ทำไมไม่ดีใจท่านไม่ดีใจไม่ดีใจทําไมทถังหัวท่านหัวเราะได้อท่านไมเสียใจทําไมท่านร้องไห้ได้เนี่ยเห็นไหมเราก็เอาความคิดของเราที่เป็นปุถิดชนนี่แหละไปใส่ให้กับท่านท่านยังมีขันอยู่ท่านยังใช้ขันอยู่ขันนี้เป็นมูลมรดก ข, ของกิเลสพระอาหารที่เป็นประเภทสาปาทิเศ ส, สนิพานเนี่ยคือจิต ท่านพ้นกิเลสแล้วแต่ท่านยังครองขันอยู่ยังมีอัตภาพร่างกายอยู่ท่านก็ยังต้องใช้ขันอยู่ขันมีกิริยาอย่างนี้มีกิริยาอย่างนี้เวลาเขาได้ยินได้ฟังมาคำขำก็หวัวเราได้เวลาสรดสังเวชกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็าสามารถน้ำตาหลุกออกมาได้ มันเกี่ยวข้องกับขันเพราะว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์นั้นเอามาบอกเราเอามาแสดงกับเราไม่ได้บอกได้ด้วยวิธีการโดยโดยลักษณะโดยอาการเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่า น, ทานทเานาาทศให้เราฟังเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงทําให้เราฟังนั่นแหละเพียงแต่บอกได้แต่กิริยาอาการแต่เราไม่ทราบอย่างอื่นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็คาดไปเดาไปตามภาษาของจิตของเรา เราก็คาดไปตามความเข้าใจของเรานั่นแหละแต่ที่ท่านแสดงให้ให้เราฟังนั้นท่านอาจจะแสดงด้วยความบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าถึงไม่ไดน้นเมื่อเราเป็นปุตรชนอยู่เราก็คาดเดาไปตามภาษาของความเป็นปุตรชนซึ่งเป็นเป็นเรื่องละเอียดสิงต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องละเอีย ด, ยดมันท้าทายผู้ปฏิบัติ ที่าะทำให้เราเยอยากรู้อยากได้อยากดีที่สัดที่สุดคืออยากพ้นทุกข์นั่นแหละเพราะความทุกข์อะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเวลามันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเนี่ยมันเลดเลือทนจริงๆเนี่ยบางคนนะ่ยคิดว่าตายไปแล้วจะพ้นทุกขนะ์เน่ยถึงข่า ต, ตัวตายก็มีบางคนเนะ่ยถึงฆ่าตัวตายนะให้รถทับตายโดดตึกตายบ้างโดดน้ําตายบ้างกินยาพิษตายบ้างแบบนี้ก็มี ยึงตัวเองฆ่าตัวเองตายบ้างก็มีแต่ก็นั่นแหละตายลักษณะแบบนี้ตายด้วยเหตุหในความเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติก็ต้องหวงังนั่นแหละเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุก ต, ติจึงจะเป็นที่หวงังบรนดาพระเยศเจ้าเท่าไรจิต ข, ของท่านไม่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นท่านสุกติมันจำเป็นจะต้องปล่อยท่านอยู่ท่านก็มีความสุข เขาว่าสุคติแล้วว่าไปดีเขาว่าทุกคติแล้วว่าไปชั่วอันนี้มันหมายได้ทั้งคนที่หมดกิเลสกับทั้งคนที่ยังมีกิเลสคนที่ยังมีกิเลสอยู่เวลากิตท่านโปรง่งใสถึงแม้ว่ายังมียังมีกิเลสอยู่ท่านจะต้องไปสู่ที่ดีที่สุขสุคติไปที่ดีไปสู่ที่ดีคติคือคือการไปคือสุขคือดีไปสู่ที่ดี ไปสู่ที่ดีนะถ้าไปเกิดก็ไปเกิดในที่ดีถ้าเป็นเป็นคนที่มีศีลธรรมก็เกิดในไปเกิดในที่ที่มีหมู่มีเพื่อนเพื่อนมีพวกมีพร้อมมีศีลมีธรรมต้องการฝึกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมก็มีที่ให้ฝึกมีครูบาอาจารย์บอกแนะสั่งสอนหึงไปสู่ที่สุคติะก็เหมือนเราพ่อค้านั่นแหละ ต้องการไปค้าขายตรงนั้นตรงนี้เออเป็นตลาดดีะมีสินค้าดีมีคนต้องการสินค้าก็ขายดีต้องการอะไรสามารถจะทําสิ่งนั้นให้ประสบผลสําเร็จตามใจหวังของเราก็ถือว่าไปสู่ที่ดีมีถ้าเราจะขยายออกมาในความเป็นอยู่ของเราก็เป็นอย่างนี้การไปสู่สุคติก็คือไปสู่ที่ดีกิน ที่มีความผ่องใสนั่นแหละสามารถไปสู่สุขติได้กิจกิจที่ไม่เศร้าหมองกิเ ต, ง เ, นะกเตอสังกิริเทกิเตอสังกิริเทสุขติปาคีกังขา ตรงการข้าวแบบจิตเตะสังเกติเถ ท, ทุกขติปาทิกลางขาเนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเป็นอันหวังทุกขติทุกขติคือไปชั่วคือจิตมันเศร้าหมองตั้งแต่ตอนเป็นอยู่อยู่นี่แล้วไปมันก็ต้องไปเศร้าหมองเพิ่มเติมอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านท่านสุขติในความเป็นอยู่ท่านยังไม่นิพานเนี่ยท่านก็มีความสุขไม่มีความทุกข์เทาเว็หินเม็ดทรายเข้าไปเกี่ยวข้องมัอนอย่างที่ลงตาท่าน เราให้ฟตั้งแต่นาทีนั้นวินาทีนั้นเป็นต้นไปไม่มีกองทุกเท่าเม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปให้เข้าไปถึงใจดวงนี้ทําให้ได้รับความทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยก็เป็นเรื่องของขันไปอย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกมาให้เราปรากฏก็คือเรื่องของขันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของอัดของทำ เรื่องของอัดของทำที่แสดงให้เราปรากฏก็คือข้อปฏิบัติและปฏิปทาที่ท่านลายห้ฟังท่านั้นสมมติยังทั้งเทศให้ฟังให้เราฟังก็เราก็ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นแหละเนื้อหาที่แทรกเข้ามาในเสียงนั่นแหละนั่นแหละเป็นปฏิปทาที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติและได้ผลเป็นงนั้นเป็นงนั้นเป็นงนั้นเป็นงนั้นอันนั้นเป็นเนื้อหาเนื อ, อัดของทำแต่ก็ไม่พนที่บุตุชนจะต้องเอามาแปลไปตามความรู้ความเข้าใจของตัวเอง นี่อันนี้คือเราพูดถึงเรื่องร่องทางขารร่างกายการเกิดของรูปการเกิดของนามความเกี่ยวข้องกับรูปกับนามมันเกี่ยวข้องกันจิตที่มีกิเลสก็เสียหาที่เกิดจิตที่มีกิเลสก็เสียหาที่เกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บแล้วก็ต้องตายต้องวิโยกต้องพรากยังไม่ถึงเก็บ ยังไม่ถึงแก่ยังไม่ถึงตายก็มีความวิโยมีความพัดพลาดมีการทุกข์ใจมีการตรงตรอมใจระทมตรงตรอมใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการแปลผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดอันสืบเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปได้เราจะต้องพยายามปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้ได้เมื่อกิเลสหมดไปจากหัวใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งจะหมดไปจากหัวใจได้ เรามาขิดหล่าเวลาความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นทุกพื้นธรรมดาทุกหนาวเนี้ยเอเราไม่เข้าใจเรื่องหนาวนี่เราก็ทุกข์ละเนี่ยทุกข์ร้อนทุกข์หนาวทุกข์หิวทุกข์กระหายทุกข์ทำการทํางานทุกข์แสวงหาทรัพย์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหานี้มันก็ตามมาทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์ผิดหวังอื ทุกข์ไม่พอใจทุกข์ได้สิ่งไม่สมหวังก็คือผิดหวังนั่นแหละปรารถนาไม่สมหวังต้องการอย่างนี้แต่กลับได้อย่างนั้นต้องการอย่างนั้นแต่กลับได้อย่างนี้ไม่อยากมีภาระอย่างนี้มาเกี่ยวข้องมาผูกพันทำให้เราต้องเป็นภาระต้องลำบากตราตรำต้องแบกหนักแบกบเบาต้องอะไรสารพัดแต่มันก็จาเป็นต้องมี ืนี่คือความปรารถนาแลวา้วก็ไม่สมบ้องสิ่งทั้งนี้แหละเอาความทุกข์มาให้เราเนืองเนืองการไปคาดไปหมายไปเดา ว, ว่านั้นน่าจะเป็นอย่างั้นอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นไม่เป็นไปตามใจหวังของเราเราก็ประสบความทุกข์เรามีความทุกข์อยู่เนืองเนืองกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจิตไม่ได้รับความทุกข์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตก็ได้รับความทุกข์จากกายเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บ เจ็บมาเราก็ไม่ชอบแกมาเราก็ไม่ชอบอยากสวยอยากงามอยากหนุ่มอยากสาวอยากได้อะไรตามใจชอบได้อะไรตามใจหวังแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังอีกละร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนไม่อายุยังน้อยก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ หนที่สุดตายก็ทุกข์ไอ้ผู้ตายก็ทุกข์ไอ้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาทับถมหัวใจของเราอืพระพุทธเจา้าท่านทราบว่าเออเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายสมัยเป็นสิทธัตถานเน่ยพระองค์ก็วิตกว่าเออเราต้องแก่เนาะเราต้องเจ็บเนาะและเราต้องตายเนาะทําไมเราจะพ้นแก่พ้นเจ็ บ, พ, บพ้นตายแฮ้พระองค์ต้องออกไปบวชเสวะหา เป็นเวลาถึงหกปีหกปีนะั้นเป็นการไปทบลองนักที่ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมากมายในสมัยนั้นถึงถึงขั้นทําทุกขกรรมยาเป็นการกระพื้นปฏิบัติยากยิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะทําได้เหมือนพระองค์ที่เรียวกว่าทุกขกรรมยาเป็นการบำเพ็ญที่ทําตามได้ยากมากเสียเวลาถึงหกปีจนเป็นเหตุให้พระองค์หันมาทำความเพีย ทางด้านกิตใจเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายหลอกจับพระองค์ออกไปหมดทําให้พระองค์อยู่โดดเดียววิเวกวังเวงไม่มีใครมาควนใจพระองค์พระองค์หันมาบำเพ็ญเพียรทางใจในวันวันเพ็ญเดือนหก น, น่ะอ่วันเพ็ญเดือนหกในคืนวันเพ็ญเดือนหกวันนั้นน่ะตอนเช้าพระองค์ รับข้าวมัทุปายาตของนางสุจาดาแล้วก็ไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ําในรัญชราแล้วก็ลอยถาดเห็นไหมลอยถาดที่นางสุจาดาถวายทั้งถาดเนี่ยเอาข้าวมัทุปายาตมาปั้นได้4ี่สบเก้าก้อนเนี่ยอา่าแล้วก็เสวยจนหมดแล้วก็ลอยถาดที่ฝั่งแม่น้ําคงคาเออฝั่งแม่น้ําในรัญชราและวอธิษฐานอา่าถ้าจะได้โปรจะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัพพุทธ ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำแล้วถาดนั้นก็ลอยไปลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็ไปถึงน้ำวนที่น้ำวนที่หนึ่งถาดนั้นก็ลงจบจมลงไปไปรองถาดของรูปพรเจ้าองค์ก่อนๆ น, นะในตำนานท่านพูดเอาไว้ไม่ใช่ลอยไปทับข้างบนนะลอยไปซ้อนข้างล่างของนู่นนะพระกับอุันโธโคนาคัมโนกัสโปนะ ไปรองอยู่ข้างล่างก็ทำให้พระองค์ได้กำลังใจโอ้โอ้ลอยทวนกระแสน้ำได้จริงแล้วก็พระองค์ก็อยู่จนเวลาใกล้ค่ำมืดก็เดินกลับมาที่ต้นโพก็ได้รับญาคาญาคากี่กรรมแปดกรรมหรือเท่าไหร่เนะี่ยญาคาเนะี่ยจากผู้ที่เขาไปเกี่ยวยาคามาเนะี่ย แล้วก็ถวายพระองค์แปดกรรมพระองค์วัเอามาปูล่าดนั่งหันหลังให้กับต้นโพลหรือหันหน้าไปด้านทิตะวันออกแล้วก็ตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยถ้าหากพระองค์ไม่ได้บรรลุธรรมตราบใดจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดหนังเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือเด็ดเหลือเด็ดเนื้อเลือดเหือดแห้งไป หือแต่น้งห่มครูกก็าตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดนี่เป็นการตั้งสัจจ์นะนะะในวันที่พระองค์หันหันมาเป็นเพียงทางใจและขึ้นเดียวเท่านั้นเองตั้งแต่หัวค่ า, าไปจนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็าทำให้พระองค์มันลุกปุเพนีนวาสาันุ ส, สติยาสสติญาคือญาอย่าึ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์อันนี้เป็นเป็นญาญของปุถุชนนะ เป็นญาณอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพระองค์ทําให้พระองค์รอลึกชาติหผนหลังได้เป็นกลับกับเป็นกลับเป็นวัฏจับเป็นวิวัฏจับไม่จบไม่สิ้นระลึกชาติหผนหลังได้ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นนู้นเกิดเป็นนี้พกนั้นชาตินั้นเกิดเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เกิดตัวเหตุนั้นทํากรรมอย่างนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นนั้นทํากรรมอย่างนั้นไปเกิดเป็นนั้นเกิดตายเกิดตายไม่จบพิจารณาไปตลอดระยะเวลา ทำให้พระองค์รู้ว่าพระองค์นี่ยเกิดเคยเกิดเคยตายไม่ไม่รู้จักจบเลยเบื่อน่าในภพชาติของพระองค์พอท่ามกลางของราตรีท่ามกลา ง, งราตรีที่เรียกว่ามัจฉิมยามยามท่ามกลางก็ทําให้พระองค์ได้ยานอีกชิดหนึ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมารู้จักพบชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยนันอันแรกนั่นรู้พบชาติของพระองค์องเดียว พยาอันดับสองนะรู้การจิติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเรียกว่าจัตุปาติยานเนี่ยจากนั้นเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนั้นตายจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นนี้ตายอย่างนี้เลยไปเกิดเป็นนั้นทํากรรมนั้นแล้วมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้เลยจะไปเกิดเป็นนั้นรู้เห็นหมดกแกมแจ้งในประไทัยของพระองค์เหมือนบุคคลที่อยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งหันไปทางไหนก็เห็นหมดใครจะมาทิศไหนทั้งสี่ทิศเห็นหมดยานปรากฏ ภายในพระไทยของพระองค์ยังแจ่มแจ้งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแต่กรรมเกิดด้วยอำนาจของกรรมจะอยู่ด้วยกรรมจะไปด้วยกรรมเบื้องในในพวกชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอีกก็เลยสอบหาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกันแน่นี่นี่เป็นปัญหาตามมาแล้อะไรเป็นเหตุให้เกิดกันแน่แหะไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปอ่าด้วยปุ๊ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ ก็ทําให้เพราะทําให้การนึกคิดพินิจพิจารณาเนี่ยเข้าในหลักของปฏิจจสมุปบาทย้อนเหตุย้อนเหตุไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยย้อนไปย้อนไปยังไปย้อนไปก็ไปเห็นเหตุคืออวิชชาเนี่ยมันเป็นมันเป็นหลักการมันเป็นวิชาการอืมแต่ถ้าเราย้อนมาที่จิตของเราเราก็จะเห็นพัะญาจิตของเรานี่ยแหละอวิชชาคือความที่เรา รู้ไม่รู้เท่าทันกลอนอุบายการเปลี่ยนแปลงของจิตภายในจิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรสาเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดความโรคสาเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงไปเกิดความโกรธสาเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุ่มหลงแต่สาเหตุที่จะทําให้รู้สาเหตุเหล่านี้มันรู้ไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไปไปตันอยู่ที่อวิชชาวิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของจิตทําให้กิเล็มประกอบภายในจิตดรงนั้นนะอวิชชาก็เลยเป็นเหตุให้เกิดสังขารเอานั้นมาประกอบเอานี้มาประกอบก็เลยเป็นเกิเหตุใ ห, ให้เกิดวิญญาณเนี่ยวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงคือความรู้ต่างๆนี้พัฒนามาจากอะไรเราก็ไม่ทราบพัฒนามาจากอวิชชานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเพราะเกิดมาแล้วก็ดับไม่ได้ดับไม่ได้ด้วยเหตุที่ไม่บริสุทธ มีทั้งผู้รู้มีทั้งกิเลสเกี่ยวเข้ามาด้วยกันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นเกิให้เหตุให้เกิดการสว้ยหาเกิดนามรูปเกิดแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดตามมามีนามรูปแล้วก็วเกิดอายตนะตามหูจมูกหรือกายใจแล้วเกิดผัสสะกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเกิดเวทนาดีใจเสียใจพอใจกลาง เกิดเกิดเวทนาเกิดตัณหาตัณหาก็ตามมาตัณหาในที่นี้มันเป็นตัณหาที่อยู่ในลำดับของเวทนาเวลามันเกิดขึ้นแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตเพราะฉะนั้นตัณหาของคนจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้และลดลงได้เพิ่มขึ้นได้ก็คือทําความรู้ทําความเข้าใจทําความรู้ทำความเข้าใจว่า อันนั้นประกอบกันนั้นเกิดเวทนาและเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาก็เพิ่มขึ้นมาได้เพราะเราดีใจเราพอใจเราเรายินดีเรายึดถือเรายึดเอาอืมอันนี้ตัณหาต่างๆอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นในขณะปัจจุบันนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันแล้วเรารู้เท่าทันเวทนาเมื่อเรารู้เท่าทันเวทนาและตัณหาก็เกิดไม่ได้ตัณหาคือความอยากไปในจิตของเราน่ะ เราย้อนดูมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็ทราบได้ตัณหาคือความอยากของจิตความกระดุกกระดิดลิ้งแแปลงของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นน่ะมันเป็นกิจกรรการแสดงออกของตัณหาภายในจิตเราดูอาการของตัณหาคือความอยากภายในจิตมันคิดนึกปรุงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นการดิ้นร น, นมันเป็นการทะยทยานท่านแปลว่าความดิ้นรนทะยอทยานของจิตความอยากของจิตคืออํานาจของตัณหา เรียก ว, ว่าความอยากความอยากตอนนี้มันมีอยู่ภายในจิต ด, ดูไปที่จิตเราจะเห็นถ้าเราไม่ศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ภายในจิตของเราเราก็จะอยู่ด้วยความลุมล่มหลงตลอดตลอดไปภาชนะการฝึกฝนอบรมให้เกิดสมาธิให้เกิดสติให้เกิดปัญญาจึงมีอุปการะเกือ้อภูมทําให้เราสามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อืมเกิดตัณหา เกิดเมื่อมีตัณหาแล้วเกิดอุปาทานตัณหาตราไปมีตัณหาตรานั้นเกิดอุปาทานตราบไปมีอุปาทานตรานั้นก็เกิดตัณหาเมื่อมีอุปาทานคือการยึดการถือแล้วก็ก็ต้องมีพบก็ต้องไปเกิดในในพบการเข้าไปเกิดคือจิตน่ะไปสร้างวิมานอยู่ในอที่เราคาดเราเดานั่นแหละคือจิตมันไปเกาะแล้วมันไปยึดแล้วมายึดเมื่อยึดยังไงมันก็ต้องไปเกิดอย่างนั้น เมื่อชอบใจยังไงมันก็ไปมันก็ไปอย่างนั้นเหมือนอย่างเราคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพอ่าเราคิดตอนนี้เดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องไปโผล่ที่กรุงเทพเหมือนอย่าง เ, เราเราคิดว่าเรามาจากบ้านมาที่เนี่ยที่กําเต่าเนี่ยเราคิดเราคิดเรานึกมาก่อนเสร็จแล้วเราก็มาโผล่ที่นี่เรานึกเราคิดยังไงเราก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นอันนี้มันละเอียดลึกเข้าไปไปในจิตนะ เพราะฉะนั้นพบจึงเปลี่ยนเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติคือความเกิดนึกคิดยังไงเราต้องไปเกิดที่นั้นอย่างนั้นเมื่อมีชาติเราได้ประับภาพร่างกายมีความเกิดแล้วเกิดเป็นคนก็ตามเกิดเป็นสัตว์ก็ตามก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดแต่ละชีวิตก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จบไปหนึ่งชีวิตแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เกิดมาแล้วก็มี มีพบก็ต้องไปเกิดในพพก็เป็นแก่อกแก่และก็เจ็บเพอตายในระหว่างแก่ระหว่างเจ็บระหว่างตายเขามีวิโยคมีพระพระัมีดีใจมีเสียใจมีอะไรสรารพัดปนอยู่ในนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนีย่เข็ดลาบ <c oughs> รวมไปถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นต้นต่อของการมีพร ะ, ะพระพุทธศาสนาท่านก็เกิดขึ้นมาจากการเข็ดหลาบการแก่การเจ็ บ, ก า, ก, บการตายจึงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะมีคำบอกคำสอนให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีบุญญาบา ร, รมีได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ได้ยินได้ฟังและได้บรรลุธรรมตามพระองค์อันนี้คือสาเหตุต้นต่อการเกิดของรูปธรรมการเกิดของนามธรร ม, รมการมีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสก็พิจรารณา พิจารณาจนเข้าในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลักของอริยสัจทั้งสี่คื อ, คอพิจารณาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ ย, ย้อนหน้าย้อนหลังย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปหาเหตุการพิจารณาจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แจ่มแจ้งชัดเจนไปในจิตของเราจิตของเราก็จะต้องมีความสงบจะต้องมีสมาธิจะต้องเป็นตัวของตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงมีทั้งสมถะ จึงมีทั้งวิปัสนาวิปัสนาก็คือไปพิจารณาไปแยกแยะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเอง <c oughs> ส ม, มถะก็คือเป็นพลังที่สะสมเข้ามาภายในยจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่มีส ม, มถะเนี่ยส่วนมากจิตของเรามันมักจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยเหมือนอย่างเราไปเรียนรู้เกิดความ ร, ามรู้เกิดความเข้าใจทางโลกเนี่ยยิ่งเรียนรู้เท่าไรเรียนมากเท่าไ ร, รยิ่งอะไรไปเท่าไร บางคนกิตก็ยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นยิ่งสําคัญมั่นหมายตัวเองมากขึ้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเป็นปราบันดิตอ้ายมากขึ้นต่างๆนี่เป็นต้นบางคนเคยมายอมรับกับผู้พูดหรือว่าโอ้ยิ่งเดียนไปมากเท่าไหร่รู้ไปมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะมันคาดมันเดาไปทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดฆ่าไปแล้วก็เชื่อความฆ่าความเดาของตัวเอง ท, ทั้งที่จิตตรงนี้แหละเป็นตัวคาดเขาว่าคาดหมายก็คือสัญญานั่นแหละคาดไปเท่าไหร่เดาไปเท่าไหร่หมายไปเท่าไหร่จิตมันหลงความคาดความเดาความหมายของตัวเองมันเกิดจากจิตนั่นแหละแต่จิตมันก็หลงเองมันคาดเองมันเดาเองแต่มันก็หลงเองแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยละเอียดเลืกอเข้าไปอีกคือกิเลสมันพาคาดพาดเดาพาหมายแต่สำหรับพระรีเจ้าท่านท่านรู้ได้หมดท่านลับได้หมด คือผู้รู้ของท่านน่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับกายอยู่ก็อยู่ด้วยความเกี่ยวข้องรับผิดชอบไปแต่ไม่ยึดไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องโดยโดยโด ย, โดยความที่อาศัยนั่นแหละกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาเนี่ยทำความรู้เท่าทันหมดไม่หลงกลโนบายที่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะมาประกอบภายในจิตให้จิตของเราลุ่มหลงไปตามมันรู้เท่าทันหมด การที่จะรู้เท่าทันก็คือมาศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละมาภาวนาให้จิตได้รับความสงบสงบละเอียดลึกขั้นไหนก็ให้สงบไปแต่พอจิตออกมาจากความสงบก็มาพิจารณาเพราะการสงบนั้น่ะมันเป็นการที่จิตมีกาลังจิตพักกาลังจิตมีกาลังจิตมีเรี่ยวแรงเหมือนกับเรารับทานอาหารใหม่นั่นแหละมีกำลังวางชาสามารถทำงานทำการได้แบบ ถาไมได้อะไรได้วิ่งได้เดินได้อะไรได้ทำโน้นทำนี้ได้ตลอดเพราะเรามีกำลังแต่ถ้าไม่มีกำลังเ้วก็ทำไม่ได้จิตที่ไม่มีกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นจิตที่คอยที่จะอนุโลมไปตามอานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสมถะเจริญสมถะหลงตาท่านให้เจอสมถะเวลาเจริญก็เจริญจริงๆให้จิตได้รับความสงบ พอมีความสงบเพียงพอแล้วต้อให้พิจารณาพิจารณาให้พิจราจรณ า, า, าจริงๆทําสลับเปลี่ยนกันไปเนี่ยบางช่วงก็เจรินสมถะบางช่วงก็จริวิปัสสนาสลับกันไปเหมือนเรามีขาสองขาขาซ้ายขาขว า, าเดินเดินไปได้เดินเข้าไปข้างหน้าได้อันนี้เป็นการทํางานอืมสมถะคือทําให้จิตได้ทับความสงบก็คือภาวนาให้จิตคิดนึ้ออยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียว ทําจนจิตสงบทําจนจำนี้จานานทําจนคล่องแคล่วจิตได้รับความสงบเมื่อได้เมื่อได้รับความสงบจิตก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบมีปีติเป็นกําลังมีความสุขเป็นกําลังมีความมีความเชื่อมกับอารมณ์เป็นกําลังเราจะให้เขาอยู่กับอารมณ์บรรไดเขาก็อยู่กับอันนั้นแล้วก็สามารถ ดูอารมณ์ต่างๆเนั้นได้อย่างชาัดเจนเพราะจิตจิตมันมีความสงบแต่ถ้ากจิตไม่สงบก็คือกิเลสภายในจิตตรงนั้ น, นะยังถูกกิเลสยุ่แย่ว่าควรอยู่ภายในจิตไม่หยุดไม่หย่อนเพราะขาดการฝึกฝนขาดการอบรมเมื่อฝึกฝนอบรมแล้วก็จะเชื่องอยู่กับอารมณ์ที่เราฝึกให้เขาให้ให้เขาอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้เกิดความสงบเ ข, เขาก็จะอยู่อยู่อยู่ยไปจนอยู่จนอิ่ม อิ่มอิมจนเลิกบริโภคก็เหมือนอย่างให้เขาบริการมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพราะมันอยู่อยู่หนังหนังข้าอยู่นะหนังข้าจิตมันก็อิ่มอิ่มก็คือปีติเมื่ออิ่มปีติเมื่ออิ่มปีติจิงมันอยู่ถึงปล่อยไม่บริกรรมมันก็อยู่เมื่อ ก, ก่อนนั้นปล่อยแล้วไม่อยู่ปล่อยแล้วก็ไปนน่นปล่อยแล้วก็ไปนี้พอเราทําไปเราทําไปถึงเราปล่อยเขาก็อยู่เราปล่อยคําบริกรรมเขาก็อยู่ คือจิตมันอิ่มคำว่าอิ่มในที่นี้ก็คือจิตอิ่มอารมณ์จิตที่มันหิวอารมณ์ก็คือจิตนึกคิดนึกคิดไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสพาหิวนั่นไงไหมยเราพูดถึงตอนนี้เราก็ทราบได้เลยว่าตัวหิวเข้ามาน่ะคืออำนาจของความอยากนี่แหละตัณหาภายในจิตมันอยากมันอยากเหมือนถ้าเราอยากอยากข้าวอยากนา้ําอยากอะไรต่ออะไรนัร่นเลยอยากอะไรก็หานั่นแหละอืม เราหาอยากข้าวหาข้าวอยากน้ำหาน้ำอยากเล่นกัหาเล่นอยากเที่ยวกัหาเที่ยวอยากพระค้าตันหาไปสว้งหาให้มันนั่นแหละนี่คืออำนาจของความอยากเราของความอยากเนี่ยมันในเมื่อมันหิวมันก็อยากในเมื่อทำจนหมดหิวเราป้อนเขาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปเหมือนก็เราป้อนข้าวพอป้อนไปป้อนไปมันอิ่มพอมันอิ่มมันก็ไม่หิวเมื่อไม่หิวมันก็อยู่ เมื่ออยู่มันก็สงบเมื่อสงบมันก็มีสุขมันก็เป็นสุขมันก็เป็นกําลังให้จิตทาให้จิตดวงนั้นเนี่ยผ่องใสไม่เศร้าหมองจิตเคาเรียกวจิตผ่องใสจิตเริ่มสงบจิตก็ผ่องใสถ้าหากจิตไม่สงบจิตจะไม่ผ่องจิตจะไม่ใสมันไม่ต่างอะไรกับน้ำที่ถูกกวนอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ไม่ใ้น้ไม่ใช่น้าในกวดแก้วไม่ใช่น้ำนั้นะมันเป็นน้า ที่กองบนขิ้ตรงขี้โคลเราไปกวนให้ขิ้ตรงขี้โคลนฟุ้งดูมันไม่มีความใส่อะไรมีอยู่ในนั้นเราก็มองไม่เห็นเมื่อจิตเ ร, เริ่มสงบอะไรจะโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นาราคะตัณหาจะโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นโทสะจะโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นอิจฉาทิสยาพยาบาอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นฝุ่นละอองของกิเลสมันจะโผล่ภายในจิตของเราเราก็เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าจิตผองใสนั่นแหละ มันมีความสุขมีความสงบมีความอิ่มเอิบมีความอบอุ่นอยู่ภายในนั้นภายในนั้นท่านยึงให้ทําจิตให้สงบใครสามารถทําให้สงบได้คนนั้นจะมีความสุขอะจะมีสริริจะมีสมบัติสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะมาตามตามสิ่งตามตามอํำนาจของจิตนี่แหละอืมอําอนาจของจิต มีความสงบมีความเป็นสริริมีความเป็นมงคลมีความเป็นอศัศจรรย์มีความดีมีความเลิศมีความงามมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นหมดอลาบยศเกียรติสมบัติทุกอย่างรวมลองอยู่ในนั้นหมดซึ่งท่านเรียก ว, ว่าสิริสมบัติสิริสมบัติออันนี้เป็นบุญเป็นบุญเป็นเป็นอริย อริยทรัพย์เป็นอริยสมบัติเป็นอริยทรัพย์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเป็นพื้นเพของจิตเป็นสมบัติของจิตอริยสมบัตินี่แหละสามารถเพิ่มพูนทวีคูณทรัพย์สมบัติให้เราได้ถ้าเราไม่มีอริยสมบัติคือสมบัติภายในสมบัติภายนอก ก็จะฟูจะเครืองจะเหี่ยวจะแห้งเหมือนอย่างพื้นดินตรงที่ไม่มีอะไรเป็นไอนะ้ำพอที่จะมาชุ่มพอที่จะมาเย็นพอที่จะมาอะไรอะไรก็เหี่ยวแห้งไปหมดแหละอันนั้นก็เหี่ยว น, นี้ก็แห้งไม่ต้อพืชอะไรอะไรที่มาอาศัยมันก็ตายเหี่ยวแห้งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจสแสวงหาทรัพภายนอกอย่างเดียวโดยที่เราไม่สแสวงหาทรัพภายในมันเป็นการเข้าใจผิดมาก เราะับภายในสามารถดึงดึงดูดซับภายนอกได้เพราะรั์ภายนอกแม้แต่ซับภายนอกเรามีมากมายเราสามารถแลกเปลี่ยนให้เป็นรับภายในได้เพราะซับภายในในที่นี้คือบุญบุญคือคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราประกอบลงไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเช่นอยากเอามาให้ทานเอารับของเราที่เป็นร่างกายที่อามารักษาศีล เาวยายาของเราที่เป็นทรัพย์คือร่างกายเอามารักษาสินสินจะพึงพึงงดเว้นทางกายกิริยาทางกายกิจกรรทางวยายานี่นี่เป็นสมบัติเอาร่างกายของเราที่เป็นสมบัตินี่แหละมาประกอบให้เกิดอริยสมบัติกลายเป็นอริยะสมบัติวาจาเป็นอริยะสมบัติเพราะกายมีสินวาจามีศิน จากนั้นแล้วให้จิตเป็นอริยสมบัติก็ให้จิตสงบสงบจากกิเลสกิเลสมันมาก่ออวนกิเลสนี้เป็นก้อนอุบัติเป็นก้อนวิบัติไม่ใช่สมบัติเพราะฉะนั้นเราเอาจิตเนี่ยมาเภาวนาจิตสงบสงบจากกิเลสเมื่อจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสริริเริ่มเป็นมงคลเริ่มเป็นอริยทรัพย์เริ่มเป็นสมบัติของจิตภายในจิตสิ่งเหล่านี้จะเกื้อกูลกัน ชีวิตนี้ถ้าชีวิตนี้เราไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติแต่เราแสวงหาอริยสมบัติอย่างเดียวก็ได้เพราะเราได้มาแล้วเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายมุณวิญญาณลูงตาเป็นต้นเนมีคนเอาไปถวายท่านมากมายมหาศาลสิ่งที่จะเอามาทําให้เกิดประโยชน์สามารถหาทองคําเข้าคลังหลวงได้มากมายสิบสองตันกว่าเดี๋ยวนี้ได้ไป เกือบสิบสาตันแล้วเนี่ยซึ่งวันที่สิบวันที่สิบเมษายนเนี่ยว่าจะปิดจะปิดโครงการเนี่ยได้ยังขาดเงินอีกตั้งเกือบร้อยกิโลอย้ยังขาดทองคาอีกเกือบร้อยกิโลก็ก็ไปเร็วเหมือนกันได้เกือบเกือบหนึ่งตันถ้าได้อหนึ่งตันก็เป็นสิบสาตันอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นผล ที่เป็นสมบัติภายนอกอาศัยว่าผู้ที่รู้ที่เข้าใจแล้วก็มาทําจนสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสมบัติภายในเมื่อเราทําไปแล้วสมบัติภายในที่อยู่ภายในใจของเราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครเอาไปไหนไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นเงินอยู่ยังเป็นทองอยู่ใครลักก็ได้ใครขโมยก็ได้อ่าเมื่อเราทําไปแล้วน่ยใครจะเอาไปไหนเราก็ไม่สนเพราะเราได้ทําไปแล้ว ตามหลักก็คือการให้ทานให้ทานของหยาบให้ทานของเลวให้ทานของละเอียดให้ทานของประเนียให้ทานกับให้ทานของเลอให้ทานสิ่งประเสริฐผลอนิสงส์ก็ย่อมได้ไปตามนั้นนี่เรามาเกี่ยวข้องถึงสมบัติจิตใจของเราเป็นอริยศัพย์ถ้าเราทำให้มีสมาธิทาได้ทาให้มีปัญญาทำได้ก็ทำให้อริยศัพพ์ เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นขึ้นไปในจิตของเราเราตั้ อ, อกตั้งใจทําไปหากบุญกุศลมีเพียงพอบุญบารมีเราถึงเราสามารถถีบตัวให้พ้นทุกพ้นโทษในวัฏสงสา ร, รนี้ไปได้ในอัตภาพนี้อันนี้ก็เป็นอริยสัพเงเราได้เต็มที่สามารถเดินตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงไปได้ พอสอง q u ầ เวลาเนาะพอส่ง quần เละ